ตอนที่37หาเรื่องโดนด่าถึงที่ในที่สุดซูมานอินก็ตัดสินใจจองสุสานสองแห่งในราคาห้ารอยหยวนราคาถือว่าย่อมเยาและเป็นตัวเลขที่เป็นมงคลมากเว่ยหมินจิวหลิงพวกเจ้าอยากจะจองไว้ด้วยไหมแม่ครับพวกเราคงไม่จำเป็นต้องทำขนาดนั้นหรอกห้าห้าเจ้าเว่ยหมินและซุนจิวหลิงรีบโบกมือปฏิเสธทันทีชีวิตของพวกเขายังอีกยาวไกลไม่อยากรีบเอาเงินมาทิ้งไว้ที่นี่ตั้งแต่เนินเน่นๆ พี่สะพ้ยรองไหนพี่บอกว่าทุกอย่างจะฟังแม่ไงละ่ะทําไมคราวนี้ถึงไม่ฟังล่ะจะ้ะชินเสี่ยวเย่เวดึงแขนซุนจิ๋วหลิงพางกระซิบประซาบแม่ต้องวิเคราะห์มาแล้วแน่ๆว่าในอนาคตราคาสุสานจะพุ่งสูงขึ้นจนหาได้ยากเชียวละ่ะซุนจิ๋วหลิงโบกมือเรื่องนี้ค่าเรียนแบบไม่ได้จริงๆอีกอย่างหากถึงวันนั้นจริงๆก็ควรเป็นหน้าที่ของต้าฮวาและเสี่ยวสวีที่ต้องกังวลไม่ใช่หรือไงคําพูดเรียบง่ายของซุนจิ๋วหลิงทําให้ซูม่านอินและฉินเสี่ยวเย่เวต้องมองนางใหม่ด้วยความประหลาดใจ พี่สะพายรองพัฒนาขึ้นนั่นเนี่ยช่วงนี้กินหัวใจไก่ตุนรากโบวบ่อยละสิซุนจิวหลิงเกาหัวข้าไม่ได้กินนะหัวใจเก่ตุนเนื้อนะ่าอร่อยไหมโจว้ยหมิงเองก็นึกประหลาดใจที่จูจูภรรยาของเขาก็มองการไก่ได้ทะลุปรุปรงขนาดนี้แต่พอได้ยินประโยคถัดมาของน้องสะพายภรรยาของเขาก็กลับคืนสู่ร่างเดิมทันทีน้องสะพ้ายเขากําลังชมว่าเจ้าเริ่มมีเล่ห์เหลี่ยมพลาเพลแล้วไงละ่ะซุนจิวหลิงหน้าแดงระเรื่อขึ้นมาทันที เซียวเยว่เจ้าเอาพี่สะั้ายมาล้อเล่นอีกแล้วนะเมื่อเรื่องทุกอย่างตกลงกันได้แล้วสำนักงานเขตก็กำหนดวันและเริ่มดำเนินการทันทีข่าวนี้แพร่สพัดไปถึงโรงงานทอผ้าอย่างรวดเร็วคนส่วนใหญ่ต่างเห็นพ้องและสนับสนุนการตัดสินใจของซูมานอินและโจเว่หมิน่นแต่ก็มักจะมีพวกขวางโลกอยู่หนึ่งหรือสองคนเสมอเช่นมาโยเฉิงไอ้พวกขี้เกียจสันหลังยาวประจาโรงงานเขาคม่นซูมานอินมานานแล้ว ทั้งที่นางสวยขนาดนั้นแต่กลับตาถั่วไปแต่งงานกับตาแก่โจโเตอชางแถมยังไม่ยอมใช้ตาแหลงคนโสดอย่างเขาเลยสักนิดช่างน่าแค้นใจนักสวรรค์เข้าข้างที่โจโเตอชางดันมาตายจากไปกระทันหันแต่ซูมาร์อินก็ยังไม่ยอมมองเขาอยู่ดีทั้งที่เขาอุตส่าห์ไปอุดหนุนแผงลอยของนางแต่นางกลับไม่มีคําขอบคุณให้เขาสักคําในเมื่อนางชอบหาเรื่องวุ่นวายเขาก็จะช่วยเพิ่มความลําบากให้นางเองพอเลิกงานเขาก็รีบวิ่งไปที่บ้านของโจโเตอสุนเพื่อเริ่มยุยงทันที รู้หรือยังที่สプライตัวดีของพวกเจ้าหาเรื่องเด่นอีกแล้วนะนางทําอะไรอีกละ่ะหวังเกว่าพอได้ยินข่าวของซูม่านอิงก็หูผึ่งขึ้นมาทันทีแผลนเงินอีกแล้วละสิไม่ใช่หรอกนางกําลังเอาเรื่องพี่ชายคนโตของเจ้ามาหาเงินต่างหากคําพูดของมาโยเฉิงทําให้สามีภรรยาที่นั่งอยู่บนเตียงคังถึงกับงงงวยพูดอะไรนะพี่ชายข้าก็ฝังไปแล้วนางจะเอาไปหาเงินได้ยังไง นั่นสิหรือจะขุดลงขึ้นมาขายลงศพมาโยเชิงเหลือบมองหวังเกื้อฮาพลังนึกในใจว่ายายแก่นี่ช่างกล้าคิดจริงๆนางเตรียมจะย้ายหลุมศพแล้วเอาศพพี่เต๋อชางไปเผาหน้าสิมาโยเชิงแส้งทําเป็นปวดใจน่าสงสารที่เต๋อชางจริงๆตายไปแล้วยังไม่ได้อยู่อย่างสงบเลยนางบ้าไปแล้วโจวเตอ๋อสุนแผ่เสียงคำรามออกมาอย่างไรเสียก็เป็นที่น้องร่วมสายเลือดความจริงข้อนี้ไม่มีทางเปลี่ยนได้แม้จะตายไปแล้วก็ตาม ไม่ได้การข้าต้องไปคุยกับนางให้รู้เรื่องหวังเกวฮานั่งนิ่งอยู่บนเตียงครั้งไม่ขยับขยื่นเกวฮาหมัวตะลึงอะไรอยู่ล้วไปสิโจเตอสุนเห็นภรรยาไม่ขยับก็รีบสวมรองเท้าพลางเร่งร้าวข้าไม่ไปหลอกนั่นมันสามีเขาพ่อเขาพวกเราจะไปยุ่งในฐานะอะไรละ่ะมาโยเฉิงรู้ทันความคิดเล็กๆในใจของหวังเกวฮ่าจึงรีบเสริมขึ้นมาทันทีเห็นว่าซูมานอินจะได้เงินรางวัลจากสำนักงานเขตตั้งหลายร้อยหยวนเชียวนะ อะไรนะเผาศพนี้นอกจากไม่ต้องเสียเงินแล้วยังได้เงินรางวัลอีกเหรอหวังเก้ฮารี่ผลายตัวลงจากเตียงขึ้นมาที่พื้นทันทีเตอสุนงานศพพี่ชายเจ้าพวกเราก็ออกทั้งเงินทั้งแรงพวกเราจะยอมให้ซูมานอินฮุบเงินก้อนนี้ไว้คนเดียวไม่ได้โจเตอสุนชะงักไปพูดจะเลอะอะไรนะพี่ชายข้าจะถูกเอามาทําเรื่องวุ่นวายแบบนี้ไม่ได้ใช่เจ้าพูดถูกจะเผาไม่ได้เด็ดขาด หวังเก้วฮาปากก็ว่าไปอย่างนั้นแต่ในใจกลับวางแผนว่าไม่ว่าจะยังไงนางต้องได้เงินมาหรือไม่ก็ต้องไม่มีใครได้เงินทั้งนั้นมาโยเฉิงทําภารกิจสําเร็จก็ขอตัวกลับโดยอ้างว่ามีธุระที่บ้านแล้วแอบไปยืนดู2 ส, สามีภรรยาไปหาเรื่องซูมานอินอยู่หา่างทว่าเขายืนแอบดูอยู่ที่หัวมุมกําแพงได้ไม่ถึง10บนาทีทั้งคู่ก็วิ่งหน้าตั้งออกมาอย่างอับอายจากนั้นเขาก็เห็นหยางเหวินเจวินผู้อํานวยการโรงงานทผ้าและหยุนโซาคังผู้อํานวยการโรงงานเครื่องจักรเดินคุยกับซูมานอิงอย่างสนิทสนนมมออกกาาาจาบ้ เห็นแบบนี้แล้วเขามีหรือจะไม่เข้าใจซูมานอินคาดการไว้ล่วงหน้าแล้วจึงได้หาคนมาหนุนหลังไว้พร้อมสัพบสหายโจเตอร์สุ่นการเผาศพเป็นนโยบายของรัฐเสียแรงที่เจ้าเป็นสมาชิกพรรคแต่ความตระหนักรู้ของเจ้ากลับสู้สหายซูไม่ได้เลยหยวนโซ่กังตีหน้ายักย้ายตําหนิสองสามีภรรยาตระกูลโจอาสามกับพี่เตอ๋อชางมีความผูกพันฉันที่น้องลึกซึ้งการที่เขาทําใจไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ค่ะซูมานอินกล่าวเสริมด้วยท่าทางเห็นใจ แต่แม่เล็ะเพื่อพ่อแล้วคุณถึงกับประโดดน้ําฆ่าตัวตายเลยนะน้ําตาของฉินเสีย่ยวเวยวยออกมาได้ถูกจังหวะอีกครั้งในโลกนี้จะมีใครอะไรอาวรพ่อไปมากกว่าคุณอีอาสองอาสไพรองพวกคุณรู้ไหมคะเพื่อที่จะได้อยู่เป็นเพื่อนพ่อแม่เล็กถึงกับจองหลุมศพให้ตัวเองไว้ข้างๆพ่อในสุสานแล้วด้วยนะโจเตอสุ่นและหวังเกว่าได้ยินดังนั้นก็ยิ่งรู้สึกละอายใจมากขึ้นไปอีกพวกคุณดูเขาสิช่างเป็นคนที่มีน้ําใจและมั่นคงในรักจริงๆ หยวนโซ่กัรู้สึกตื้นตันใจเล็กน้อยผู้อํานวยการอย่างครับให้คุณต้องมาเห็นด้วยหนะ้าอายเสียแล้วดูถ้าการประชาสัมพันธ์นโยบายของโรงงานพวกคุณจะทําได้ดีมากจริงๆแม้แต่ญาติของพนักงานยังมีจิตสํานึกสูงส่งขนาดนี้ไม่เหมือนทางฝั่งเราเลยเหอะหยวนโซ่กังหันไปมองสามีภรรยาตระกูลโจโจเตาสุ่นถึงแม้แกจ ะ, กะเกษียณก่อนกําหนดไปแล้วแต่ก็ยังถือว่าเป็นพนักงานของโรงงานกลับไปเขียนรายงานสํานึกผิดมาหนึ่งพัน 1, ตัวอักษรต้องเขียนให้เข้าถึงก้นบึ้งของจิตวิญ ญ, ญาณด้วยนะ เออผู้อํานวยการหยวนครับผมอะไรหรือว่ามันน้อยไปงั้นเพิ่มอีกห้าร้อยตัวอักษรไม่น้อยครับไม่น้อยผมจะเขียนเดี๋ยวนี้แหละครับโจเตอร์สุนหูปากฉับทันทีส่วนหวังเกว้าฮ่าที่อยู่ข้างๆก็ไม่กล้าสอดปากเพราะเธอยังต้องทํางานอยู่ที่โรงงานเครื่องจักรทั้งคู่พูดประจบประแจงไม่กี่คําก่อนจะล่าถอยกลับไปอย่างน้อยเงามาโยเฉิงเห็นทั้งสองคนเดินตรงมาทางตนก็รีบมุดเข้าไปแอบในตรอกทันที ซวยจริงๆถ้ารู้ว่าทางโรงงานเห็นดีเห็นงามด้วยพวกเราคงไม่เข้ามายุ่งหรอกต้องโทษไอ้มาโยเฉิงเฉิงเซลนั่นแหละพูดจาไม่เคลียร์โจโตเตอซุ่นแล้วหวังเกวะฮวาดบดเดินผ่านตรอกไปมาโยเฉิงที่แอบอยู่ข้างในได้ยินเข้าก็อยากจะด่าบุพการีสวนกลับไปจริงๆเห็นเห็นกันอยู่ว่าทั้งคู่มาหาเรื่องเพราะเห็นแกนเงินแท้ๆแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเขาด้วยเขาลุกขึ้นยืนแล้วจู่ๆก็ได้กลิ่นเหม็นโชยมาพอขยับเท้า บ, บทขยี้ลงไปก็รู้สึกถึงความเหนียวเนื้อทันที ให้ตายเถอะลูกบ้านไหนมันมาถ่ายทิ้งไว้ในตรอกวะเนี่ยสายซูวังใจเถอะถ้าโจเตอส่นสองผัวไม่ยังกล้ามาหาเรื่องอีกคุณมาหาผมได้เลยผู้อำนวยการหยวนกล่าวอย่างกระตือรือร้นผู้อำนวยการหยวนขอบคุณมากนะคันลำบากคุณแล้วจริงๆซูม่านอินกล่าวตามมารยาทเธอส่งสัญ ญ, ญาณให้ชินเสียวเย้าชินเสียวเยเวจึงรีบหยิบห่อกระดาษไขออกมา ผู้อำนวยการยวนพวกเราไม่มีของดีๆอะไรจะมอบให้เพื่อเป็นการขอบคุณนี่คือโรเจียหมูที่พวกเราทําเองคุณรับกลับไปลองชิมดูนะคะแล้วช่วยให้คําแนะนําพวกเราด้วยนี่มันเหล่ายวนคุณอยากเกรงใจไปเลยอย่างเวนจะวิ่งช่วยผู้สำทับรับไปเธออร่อยมากนะตกลงสหายซูถ้าเป็นไปได้ก็ไปตั้งแผงที่โรงงานเครื่องจักรด้วยนะพวกเรายินดีต้อนรับแน่นอนเฮเหล่ายวนคุณนี่มันไม่แฟรเลยนะมาแย่งแผงกันต่อหน้าต่อตาแบบนี้เลยเหรอ ทั้งสองคนเป็นเพื่อนร่วมรุ่นและเป็นเพื่อนสนิทกันดังนั้นไม่อหยางเหวินจะวิ้นไปหาหยวนโซาคังเพื่อให้มาช่วยที่บ้านของซูม่านอินเขาจึงไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยเดิมทีเขายังบอกว่าโจเตอซุนเป็นสมาชิกพักและเป็นพนักงานโรงงานคงจะมีจิตสํานึกอยู่บ้างผลปรากฏว่าพอสิ้นคําพูดทั้งคู่ก็บุกเข้ามาหาเรื่องถึงในลานบ้านช่างเป็นการตกหน้าฉาดใหญ่จริงๆโชคดีที่เรื่องราวคลี่คลายลงด้วยดีสายมากแล้งนั้นพวกเราขอตัวก่อนนะ หยวนโซ่กังและหยางเหวินจะวิ้นโบกมือลาสูมม่านอินและฉินเสี่ยวเยว่องทั้งสองคนขี่จักรยานจากไปในใจก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกตื้นตานสองคนนี้ช่างติดดินจริงๆ